ถึงยังไงก็ไม่เสียความที่ว่าเห็นสักเทวเห็นในตัวมันเองแต่ผมก็ได้เคยบอกแล้วว่าความเชงอตักถาท่านพูดท่านไขชัดเลยตรงนี้ว่าเราเนี่ยเกิดจากขรัววานวิถีกันมาแต่อ่อนแต่ อ, อกเกิดทุกวันวันแล้วไม่รู้ต่าไร่แล้วในตัวมันเองมันก็เห็นสักเทวเห็นแล้วทำไมเราไม่ได้อะไรขึ้นมาทาไมไม่ได้อะไรขึ้นมาเพราะเราไม่ได้เข้าไปกาหนดดูรู้มันใช่ไห ไม่ได้ไปกําหนดดูรู้มันมันจะได้อะไรขึ้นมาต้องไปกําหนดดูรู้มันจึงจะได้อะไรขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเราเนี่ยไม่ได้กําหนดดูรูเมื่อไม่ได้กําหนดดูรูมันก็เกิดลวดเลยตีลวดเลยและโดยมากก็เป็นไปอธิบายไปในทางดีทางเร็วอธิบายให้ตัวเองไปในทางดีทางเร็วอธิบายยักอธิบายยักไปในทางอากุศล น, นะไปในทางอากุศลเป็นส่วนมากทีนี้เวลา ผู้ปฏิบัติเนี่ยกำหนดเราจะมีชั้นแก่อ่อนต่างกันครับอเอาเป็นว่าเราไล่ตั้งแต่ชั้นอ่อนที่สุดเลยอย่างเราเนี่ยถ้าเราจะเริ่มทําแกรกๆเราทําได้ขอถ้าคนไม่เริ่มทําเลยไม่มีคนนั้นเนี่ยไม่มีคําว่าได้ปฏิบัติในพุทธพจน์ว่าเมื่อใดเธอเห็นจงศักแต่ว่าเห็นเธอเพราะมันมีแต่เห็นแต่ตัวเข้าไปกําหนดไม่มี ชื่อว่าไม่ได้ปฏิบัติในข้อว่าเห็นสักแต่ว่าเห็นเถอดนะมันก็เลยอธิบายเลยไปจนกว่ามันหมดฤทธิ์มันไปเองกิเลสหมดฤทธิ์ไปเองนะแต่ถ้าหากว่าอย่างเราเนี่ยเราไปเริ่มเราก็คงจะเคยนะครับผมว่าเดี๋ยวจบแล้วลองดูก็ได้ลองหมายถึงลองไปลองเองนะผมไม่ช่วยในลองไปได้ยินใครเขาว่าอะไรเราเนี่ย ถ้าเราไม่เกิดความคิดเบล็กเลยยั้งใจอย่างที่ว่านี้เลยนะชื่อว่าไม่มีการสักเลยแต่ถ้าหากมีการยั้งใจเมื่อไหลพับเนี่ยชื่อว่ามีการสักแต่สักของเราเนี่ยเรารู้สึกว่าเอตําราท่านสอนให้ไม่เห็นเป็นคนเป็นสัตว์ทำไมเราสักแล้วก็ ย, ยังรู้สึกว่าเป็นคนเป็นสัตว์เป็นเสียงที่เราชอบไม่ชอบอยู่เราใจร้อนไปครับเราใจร้อนไปขอให เราอย่าไปห่วงว่ามันเห็นได้เข้ามาแค่ไหนนะครับขอให้ได้ทําก่อนได้รู้สึกบ่อบ้างเนี่ยนั่นละเป็นที่พอใจแล้วเราได้เริ่มแล้วแล้วคนที่เริ่มเขาก็ต้องอย่างนี้ทั้งนั้นที่บอกว่าเมื่อตายเห็นรูปศักดแต่ว่าเห็นเอ๊เราเห็นดอกไม้เราก็ยังรู้สึกว่ามันเป็นดอกไม้ชอบไม่ชอบอยู่แต่เราชอบหรือไม่ชอบเนี่ยถ้าเราได้หยุดมันตรงไหนเมื่อไหร่ถือว่าเราได้ปฏิบัตินะครับได้มีการหยุดยั้งมันขั้นใดขั้นหนึ่ง แต่ที่เราทำในก้าวแรกเนี่ยมันอธิบายไปเสร็จแล้วแล้วถึงกำหนดอ๋อเนี่ยเราชอบเข้าไปแล้วเราไม่ชอบเข้าไปแล้วหรือเราคิดเป็นตู่เป็นตาเข้าไปซะตั้งเยอะแล้วถึงมานึกได้ภายหลังอะไรอย่างนี้นะแต่ก็ต้องภูมิใจหรือต้องอนุโมทนาแก่ตัวเองว่าเราได้ทำแล้วและเป็นก้าวแรกที่เราควรจะทานี่คนที่เขาทำไปบ่อยเข้าบ่อยเข้าเนี่ยไอการปรุงแต่งมันลดลงไป นะมาลดลงไปอย่างอาิปลายยักษ์เนี่ยจะค่อยๆหดเข้าหดเข้าหมายถึงไม่มากอทิปายักษ์ไม่มาก mm. บางท่านที่เก่งไปกว่านั้นเนี่ย mm. เมื่อเห็นโลปาลมตาธนุวติกาเกิดโดยลำดับตั้งแต่ตีตักตะมูหักอัดถักนามักรู้ชื่อแล้ว mm. ไม่ขยายไม่ขยายสมมติมว่ามีใครมาหาที่บ้าน หรือไปอยู่ในป่าเห็นลิงมันไตาต้นไม้อยู่นะมันลูกขีข่คอเราก็เกิดวิธีจิตเจงทั้งกําหนดลูว่าเห็นเป็นรูปประมาณสันฐานและลู่อ่อนนี่วานอนพอกําหนดลูว่าวานอนแล้วเราหยุดแค่นั้นเราไม่ได้นึกว่าวานอนทาไมมาเล่นแถวนี้ฉันจะทํากรรมฐานทำไมมาเล่นแถวนี้น ท, ำำนทำไมปลมาลูกมาเจอ เ, เจ้าแถวนี้อะไรอย่างงี้ไม่อย่างนี้เรียกว่าไม่เลยไปสู่ขอบเขตของอธิบายในทางลักทางชัง มันหยุดแค่นั้นแค่รู้ชื่อทีนี้บางคนนั้นเห็นแล้วเนี่ยมันหยุดแค่รูปภัณฑ์สันธานไม่สนใจว่าชื่ออะไรเป็นอะไรนะไม่นึกถึงเลยว่ามัชื่ออะไรคือท่านนึกถึงชื่อนั้นเพียภาษาไทยเขาเรียกลิงาภาษาบาลังเรียกมังคีภาษาจีเรียกอะไรยังนึกไม่ออกภาษาแขกเรียกวานอนวานอนเนี่ย แยกออกเป็นสองคำวาแปลว่าหรือนละแปลว่าคนที่เรียกว่ า, วานอนเพราะว่ามันคล้ายคนเวลาเราไปเห็นลิงแล้วก็เห็นลิงมาไกลๆแล้วกเนื้อในคนหรือลิงคนหรือเปล่าเนี่ยมันคล้ายคนแล้วเกินภาษาแกกเล็งๆกัเลยนึกเพลินชื่อไปเลยนี่บางคนเขาก็ไปหยุดแค่เห็นรูปประพันธัติและจบแค่นั้นการเห็นรูปพระพันธัติยังนับว่าทําได้คันนี้นะบอเก่งแล้วทีนี้ ที่เก่งไปกว่านั้นที่เก่งไปกว่านั้นสามารถกำหนดตัดได้ด่วนกว่านั้นอีกคือมาหยุดที่สะมูหักตอนรวบรวมเนี่ยหยุดแค่นั้นคือเรียกว่าได้สะสมสะส ม, สสมแต่ว่าไม่ได้มาตีความรวมอีกทีและเก่งไปกว่านั้นก็คือหยุที่อตีตัก และที่ดีที่สุดก็คืออันนี้ทํายากมากอย่างเราเนี่ยทำล้านหนึ่งได้ทั้งหนึ่งอย่างดีที่สุดแล้วนะแต่อย่างผู้ดีทําเป็นอาชีพอย่างพระสมัยก่อนเนี่ยนะพระดิยาบุคคลเนี่ยท่านได้ทันทีเลยพอตาเห็นกําหนดรู้ได้ทันทีเรียกว่าพอปัญจทวารวิถีเกิดปั๊บอะติตากไม่ต้องมีมโนทวารวิถีที่เป็นตัวทําวิปัสนาเข้ามากําหนดเลยว่าเห็นตัดตัวเห็น ถ้าอย่างนี้เราก็เรียกว่ากำหนดปัจจุบันได้ฉับพลันทันทีแล้วไม่เกิดความรู้สึกอะไรที่นอกเกินไปจากของจริงอย่างนี้ถือว่าชั้นหนึ่งเก่งมากๆอย่างเราอย่างเรายากครับอย่างเราเนี่ยยังไงก็อดเห็นเป็นนู่นเป็นนี่ไม่ได้แต่ว่าเราจะรู้สึกได้ทันทีว่าอ๋อเราในมีการจากัดลงไปได้มากนะจากัด เราไปไปเห็นคนเดินผ่านหน้าเราเวลาเราเราเดินอย่างกลมยกตัวออย่างนี่นะมันไม่ปรุงแต่งมันไม่ปรุงแต่งไปมากมันหยุดแค่นั้นอย่างเนี้ยแสดงให้เห็นว่าเราทำได้เป็นสิ่งที่เราทำได้และกระชันพุทธพจน์ ท, ที่ว่าเห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินและขอเรียนว่าไม่ต้องไปกังวลห่วงใหญ่โดยเอา ความสามารถขั้นสมบูรณ์มาเป็นเกณฑ์กับตัวเองว่าเอ๊ะทำไมเราเนี่ยฟังทุกทีมันคิดได้ยินเป็นคำอย่างน้นอย่างนี้ทุกทีอย่าไปนึกกังวลเลยครับได้แค่ไหนให้ตามแค่นั้นอันนี้เป็นมุมของการปฏิบัติแบบอายตนะบัพพะปฏิบัติกำหนดอย่างนี้ทั้งทางตาก็ตามเมื่อตาเห็นได้ยินก็ตามได้กลิน่นลิ้มรส สัมผัสถูกต้องครบทั้งห้าทางได้หมดแล้วก็จะทำได้ในชั้นแก่อ่อนในลำดับโดยอาการอย่างนี้เอาละคราวนี้าามาอธิบายเข้าไปอีกนิดหนึ่งว่าโดยธรรมดาอย่างเราเวลาเกิดอนุพันธกะนั้นเมื่อปัญจทวารวิถีใดวิถีหนึ่งเกิดขึ้นรู้อารมณ์หน่วยเดียว ดับลงไปอตีตักข้าหน้าก็เกิดซ้ำกําหนดย้ำเพื่อทํานองเพื่อมาให้หลุดลืมไปแล้วก็สมูหักก็ทําหน้าที่รู้อีกครั้งหนึ่งเพื่อเก็บเอาไว้ให้ได้เก็บเอาไว้ให้ได้ไปต่อกับอันอื่นที่จะรู้ต่อไปสมมุติว่าอารมณ์มาหน่วยเดียวรูปอารมณ์จากกูเทวานวิถีเกิดอตีตักเกิดสมูหักเกิดอารมณ์หน่วยแรกหน่วยเดียวมาเนี่ย อัดถักเห็นรูปปรพันธ์ได้ไหม ย, ยังไม่ได้แตแดงให้เห็นว่าจาับคูทวานวิถีเป็นต้นอติตักสมูหังจะต้องเกิดเวียนกันหลายรอบคำว่าหลายรอบเนี่ยท่านไม่ได้นับจำนวนว่ามันเยอะนับไม่ไหวแต่พูดในหลักอันนี้ได้ว่าหลายรอบจนพอสมควรแก่การมองเห็นตําแหน่ง ขนาดหรือรูปปะั้นสันฐานของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเรานึกถึงข้อเท็จจริงอย่างนี้ครับว่าเวลาที่เราเห็นเห็นคนคือเห็นกันและกันเห็นเห็นคนเดินมาแต่ไกลเรากําหนดปรารถนาจะรู้ว่านั่นเป็นคนหรือเปล่านะเราจะกําหนดรู้ว่านั้นเป็นคนหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องแปลว่าเราจะต้องเห็นรูปนั้น ที่เราเห็นแต่ไกลเนี่ยครบส่วนเป็นคนเราจึงตีความเป็นคนนี่ถ้าเราเห็นใครสักคนหนึ่งเขายกมือโผล่ขึ้นมาตรงริระเบียงหน้าบ้านเห็นมือเนี่ยเราก็นึกอันนั้นแมวหรือมือนะถ้าเรานึกแค่นี้แล้วว่าบริเวณขนาดที่เราปรารถนาจะรู้มันแคบแค่มือมือใครอะไรเรายังไม่สนใจมือหรือแมวใช่ไหมนี่เราก็กําหนดรู้แค่นั้น เราเห็นนิ้วหรือเห็นตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งเราก็จะหมายกำหนดรู้ตีความแค่นั้นถ้ามันครบเท่ากับที่เราหมายจะกำหนดรู้เราก็จะเกิดอัดถักตีความเท่าขนาดที่เรารู้ได้เผมจะยกในกรณีที่ท่านจะเคยได้ยินพระหรืออ่านถ้าใครอ่านาพระไตรปิดกก็จะพบข้อความนี้บ่อยว่าเมื่อใดเธอเห็นรูปเป็นต้นจนถึงกายให้เห็นศักแต่ว่าเห็นอยากำหนด ถือเอาโดยนิมิตและโดยอนุพยัญชนะเนี่ยเป็นอายตนะบัพกับเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยกรงเราจะเห็นว่าในพระไตรปิฎกเนี่ยท่านเริ่มว่าอย่า ก, กําหนดถือเอาโดยนิมิตอนุพยัญชนะทรงทรงอธิบายชนิดหนึ่งสําหรับบางท่านอาจจะไม่รู้ว่านิมิตคืออะไรอนุพยัญชนะคืออะไรนิมิตนะหมายถึงลักษณะใหญ่ออนุพยัญชนะหมายถึงลักษณะย่อย เช่นจมูกนี่เป็นนิมิตรหรือเป็นอนุพยัญชนะเป็นอนุพยัญชนะตัวคนทั้งตัวนั้นเป็นนิมิตนี่พูดถึงว่าถ้าเราตั้งเกณฑ์เอาทั้งตัวแต่ถ้าเราตั้งเกณฑ์ เ, เฉพาะใบหน้าเราจะมาดูใบหน้าอย่างที่เขาประกวดหน้าว่าใครจะหน้าเกลียดกว่าเพื่อนเนี้ยต่างประเทศอ่ะตรงอื่นไม่ดูดูแค่หน้าก็มองหน้าคนนี้เป็นไงหน้านั้นถือเป็นนิมิตเป็นลักษณะใหญ่ ตามที่ผู้กำหนดหมายต้องการจะรู้อย่างเต็มๆมีขอบเขตแค่ไหนคิ้วตาจมูกถือว่าเป็นอนุพัญธชนะนะแต่ถ้าหากว่าเขาประกวดนางงามนี่ดูทั้งตัวตั้งแต่หัวโจยเท้าผิวพรรณวันนาดูหมดทั้งตัวนั้นถือเป็นนิมิตแขนขาผมนิ้วฟันเป็นอนุพันชนะ ทีนี้เรามาดูเลยครับว่าลักษณะใหญ่กับลักษณะย่อยเนี่ยทําไมพระพุทธเจ้าท่านถึงเริ่มต้นว่าอย่าเถื่อโดยนิมิตอย่าเถือโดยอนุพันธ์ทนี่ผมก็อยากจะชีใ้ให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ที่แตกต่างว่าถ้าโดยลําดับของการรับรู้แล้วละก็เราเนี่ยรู้ใหญ่ไปหาย่อยหรือรู้ย่อยไปหาใหญ่หญรู้ย่อยไปหาใหญ่ใช่ไหม โดยลำดับของการรับรู้เช่นเราจะเห็นคนเนี่ยแล้วก็จากย่อยไปหาใหญ่ห่าหนังสือก็จากน้อยไปมากจากไปยันชนะจากแต่ละประโยคไปเป็นย่อเป็นบทเป็นตอนอะไรกันไปเนี่ยโดยลำดับของการรับรู้แล้วจะเริ่มจากย่อยไปหาใหญ่แต่โดยลำดับของการเกิดกิเลสมันกลับกันครับมันเกิดจากใหญ่ไปหา ย, าย่อยเอาจริงๆอ่ะ แล้วพระธเจ้าตรัสอย่างเนี้ทรงตรัสโดยลําดับของการเกิดกิเลสอา่าวเรามาดูกันให้ชัดนะว่าโดยลําดับของการเกิดกิเลสเนี่ยเวลาเราไปเห็นใครสักคนเห็นของอะไรก็ได้เ่อเราจะเข้าไปในร้านาสรรพสินค้าจะไปซื้อของอะไรทั้งอย่างเมื่อเราเปว่ายกตัวยอย่างจะไปซื้อแหวนเราก็ก็ อ, อะไรที่ไม่ใช่แหวนไม่สนใจ ถึงแม้ว่าจะเป็นลานเพชร้านพลอยมีสร้อยมีเข็มขัดมีอะไรเราไม่สนใจตาเราจะจับไปที่แหวนอย่าไปซื้อในกาตาตาจะจับไปที่ในกาใช่ไหมใช่เนี่ยเราจะจับลักษณะใหญ่อย่างนี้ให้ได้ก่อนเสร็จแล้วเราก็ไปเจอแหวนวางอยู่เต็มหมดพอเราเห็นเป็นแหวนเนี่ยเราซื้อเลยป่ะเราชอบเลยไหมไม่หรือเราไม่ชอบเลยไม่ไม่เราจะต้องเอามาดูพลิกซ้ายพลิกขวาพลิกข้างนอกพลิกข้างในเอากล้องมาส่องดูอนุพัญชนะของมันนะ ความเป็นไงก็หมายอนุพยานะนี่ตรงกับความต้องการหมดเราก็ซื้อไปแต่บางทีซื้อไปแล้วผิดหวังเพราะว่าตรวจไม่ครบตรวจอนุพยญชนะไม่ครบไปเชยข้อบกพร่องที่มันซุ ก, ซ, กซุกซ่อนๆเราดูไม่ออกเราก็เกิดโทรมนัดที่หลังโทรมนัดกับอนุพยญชนะที่เราไม่พอใจนะถ้าเราตรวจแล้วมันตรงใจเราเราก็จะดีใจเกิดอภิชาขึ้นนี่พูดอย่างภาษาธรรมะ ก็ว่าอย่างนี้ในการเห็นคนก็เหมือนกันไม่ว่าจะอะผู้จัดการรับสมัครพนัก ง, งานนะแต่ถ้ามีคนเข้ามาอมาได้แล้วก็จะดูจากใหญ่ไล่ไล่ไล้าไปใช่ไหมละ่ะแต่ถ้ามีโผลมาตัวหางชีมาเลยครับไม่ต้องมานั่งไล่แล้วลักษณะใหญ่ใช่ไม่ได้ใช่ไหมละ่ะก็ต้องเอาดูเป็นไงมานั่งไล่ดูซิว่าเออเข้าเป็นคน เป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงาตามที่กําหนดเป็นหลักใหญ่ๆไว้มีความสามารถพิเศษยังไงเวลานั่งเวล า, วลาพูดอะไรพยายามจะเก็บรายละเอียดเห็นพอเห็นรายละเอียดดีก็จะเลือกเอาบุคคลนั้นแม้ชายหนุม่มก็บหญิงสาวออที่จะเลือกกันเป็นคู่ครองก็ดีก็จะดูรายละเอียดหรือแม้แต่เราอยู่ในวงการศาสนาเนี่ยที่เราก็อาจจะไปเลื่อมใสท่านผู้นั้นท่านผู้นี้ เขาลบท่านผู้นั้นผู้นี้เอาไปล่วงหน้าพอนานไปนานไปเราไปเห็นอนุปัจจยชนะมันไม่ดีเข้าเราก็เกิดความรู้สึกโภมนัตนะหรือบางทีเนี่ยเราไม่นึกว่าจะดีขนาดนั้นพอไปเห็นดีมากๆเข้าเราก็เกิดความเขารบมากยิ่งขึ้นตามอนุปัจจนะนี่เป็นลำดับของกิเลส ท, ที่มันจะค่อยๆจับหารายละเอียดเข้าไปเข้าไปท่านจึงกล่าวว่าอย่าถือโดยนิมิตและโดยอนุปัญจนะ แปลว่าถ้าโดยนัยยะอย่างนี้เนี่ยในบทเบื้องต้นต้องตัดนิมิตให้ได้ตัดนิมิตให้ได้ก่อนเห็นเป็นนิมิตใหญ่ๆเนี่ยตัดทิ้งไปเลยแต่นี่ถ้าว่าตัดไม่ทันมันเกิดวิถีจิตหรือกิเลสมันไล่จับรายละเอียดไปบ้างเราก็แทนที่จะไล่ารายละเอียดมากเราก็ให้เหลือน้อยนะครับลอยก็เหลือแเจ็สิบห้าเจ็ดิห้าก็เหลือยี่ห้ายี่ห้าเหลือสักยี่อลดลงไปกว่านั้น กิเลสมันก็เกิดน้อยลงนี่ตามกติของท่านอย่างนี้แต่ว่าวิธีจิตที่เรากำลังเรียนนั้นเราพูดถ้าพูดถึงอย่างนี้เราจะพูดถึงอนุพยัญชนะนก่อนเพราะว่าวิธีจิตนั้นเมื่อเกิดการรับรู้เนี่ยในหลักของวิธีจิตว่ารู้ทีเดียวทั้งหมดไม่ได้นะฮะการรู้จะรู้จากน้อยค่อยๆผสมขยเยบค่อเหยีบยบยบามาและขยายเต็มตัวในภายหลังกลับกันอย่างนี้ อ่าทีนี้ที่เรายกตัวอย่างมาเนี่ยเราพูดถึงทางจักขุทวารวิธีนะครับนิมิตอนุปยนชนะทางจักขุทวารวิธีถ้าเป็นทางโสตทวารวิธีละ่ะอะไรเป็นนิมิตอะไรเป็นอนุปยนชนะพอจะบอกได้ไหมถ้าเป็นทางจมูกละอะไรเป็นนิมิตอะไรเป็นอนุปยชนะนะอ้าวยกตัวอย่างว่าทางจมูกกลิ่นนะครับ กลิ่นที่เรียกว่าเป็นนิมิตคือนานี้น้าทุเรียนยกกลิ่นทุเรียนกันแล้วกันเราได้กลิ่นทุเรียนมาแต่จะหมูครับเป็นนิมิต ท, ทีนี้ทุเรียนมันก็มีหลายประเภทผมก็ไม่สันทัดนะครับว่ามันกลิ่นแตกต่างยังไงนะถ้าจะหมูกดีเขาดมดมเขารู้ไม่ต้องดูเขารู้ว่านี่มันกลิ่นทุเรียนอะไร นี่แปลว่าเขาสามารถที่จะกําหนดรู้อนุปิชนะนะทุเรียนห่อมหรือทุเรียนค่อนข้างจะงอมหรือทุเรียนเน่าเนี่ยเขารู้พวกนี้เขาจะหมู่ไวมากในเรื่องขอนุปิชนะนี่อันนี้นี่เป็นตัวอย่างเรื่องกลิน่นทีนี้ถ้าหากว่าเป็นรสรสก็เหมือนกันเวลาเราไปกินแกงส้มเนี่ยเราสมมติว่าสั่งแกงส้มเราเห็นเป็นรูปแกงส้มไอ้ น, นั่นเป็นเรื่องรูปละ่ะ ได้กลิน่นเป็นแกงส้งมนั่นเป็นเรื่องกลิน่นถ้าลดเนี่ยบางทีรูปร่างเป็นแกงส้มแต่ซดนเข้ไปไม่ใหญ่แกงส้มมันเป็นแกงอะไรมันหวานหวานมันไม่ออกเปรี้ยวใช่ไหแต่ถ้าเราลดโอมันลดอยู่ในขอบเขตของแกงส้มเราก็กินไปแล้วก็หารายละเอียดต่อไปอีกเพื่อให้เกื้อให้สนองความต้องการความเปรนเอกลอร่อยและเพื่อสร้างความผูกใหญ่ในแกงส้มของที่นั่นว่าถึงพร้อมด้วยคุณสมบัตินะฮะ จะเป็นลักษณะของพระพุทธเจ้าก็เรียกว่ามีมหาปุริสารลักษณะซึ่งเป็นลักษณะใหญ่กับอนุพยัญชนะแปดสิบซึ่งเป็นลักษณะย่อยอันนี้ก็เหมือนกันหมดแม้แต่ทางกายสัมผัสถูกต้องก็เช่นเดียวกันนะครับนี่จะแสดงให้ดูว่าในปัญจทวารวิถีนั้นลำดับการเกิดของวิถีทางตาหูจมูกลิ้นกาย เกิดจะแตกต่างกันเป็นสองพวกครับคือถ้าทางหูนั้นลำดับการเกิดจะพิเศษออกไปถ้าเป็นทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายสี่ทางนั้นลำดับเหมือนกันที่ว่าต่างกันก็คือทางหูเวลาเราฟังเสียงการกำหนดรูของเรานั้นจะกำหนดรู้ชื่อก่อนชื่อเนี่ยจะมาก่อน ชื่อของสิ่งต่างๆมาก่อนและเราจึงนึกถึงความทีหลังเหมือนอย่างเวลาเราฟังอะไรก็แล้วแต่เราจะฟังให้ได้คำก่อนนะว่าคำพูดที่เขาพูดมาเนี่ยเรากำหนดรู้ถ้อยคำไหมเมื่อกำหนดรู้ถ้อยคำเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราจึงตามไปกำหนดรู้อัดคือเนื้อความว่าความแห่งคำนั้นเป็นอย่างไรเราก็ไปหาเนื้อความภายหลัง แต่ถ้าหากว่าเป็นทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายจะเกิดตามลําดับที่เราว่ากันเมื่อตะครู่นี้นะครับจะเป็นไปตามลําดับอย่างนั้นเพราะว่าทางตาในลูก ป, ประพันธ์มาก่อนแล้วชื่อมาที่หลังทีนี้ทางจมูกก็เหมือนกันลู ป, ปรพันธ์ทางจมูกมาก่อนคือทางจมูกที่เราดมกลิ่นเนี่ยจะเชี่ห้เห็นว่าไอ้ตรงไหนเป็นสมมติตรงไหนเป็นประมัตดในแง่ของธรรมะนะ กลิ่นที่เราได้กลิน่นเช่นกลิ่นอะไรก็ตามเถอะที่เราได้ยินได้ได้กลิ่นแล้วกำหนดรู้ว่านี่เป็นกลิ่นทุเรียนหรือนี่เป็นกลิ่นมะม่วงหรือนี่เป็นกลิ่นแกงนี่เป็นกลิ่นข้าวไอ้อย่างนี้เรียวกว่าเป็นอัธยาบัญญัิเป็นของรวมๆแม้ว่าเป็นกลิ่นเดียวก็รวมได้นะยางเสียงํานองสเสียงที่เราพูดเนี่ยพยางค์เดียวก็รวมได้ เพราะว่าพยางหนึ่งเนี่ยมันก็มาจากช่วงคลื่นหลายช่วงคลื่นใช่ไหมใช่ไม่จําเป็นต้องไล่ไพยายามแล้วมารวมทีหลังนั้นไอ้กลุ่มก้อนเนี่ยมันจึงมีเป็นกลุ่มก้อนอย่างที่ที่เรารู้สึกเป็นกลิ่ น, น, นหนาๆเป็นกลิ่นทุเรียนจริงๆแล้วกลิ่นทุเรียนไม่มีมีแต่กลิ่นนั่นแหละเราก็ไม่รู้จะพูดว่าไงกนะ็กลิ่นอย่างนั้นแหละไม่มีราคาว่าหอมว่าเหม็นกลิ่นเหม็นก็ไม่มีกลิ่นหอมก็ไม่มี เนี่ยถ้าถ้ายกมือว่าใครว่ากลิ่นทุเรียนหอมกรุณายกมือขึ้นก็จะมีอยู่พวกมังอาจจะเป็นส่วนใหญ่และถ้าจะถ้ายกมือว่าใครเข้ามีความสําคัญว่ากลิ่นทุเรียนเหม็อนอย่างทนไม่ได้ไม่ได้ไม่ไหวจริงๆยกมือขึ้นผมว่าต้องมีแนะ่ใช่ไหมฮะมีแนะ่แล้วไอ้บางทีเนี่ยบางกลิ่นทุเรียนบางทีมันอยู่บางทีหอมอะแต่ถ้าลองเข้าห้องแอร์แล้วก็ไม่ไหวอ่ะรถแอร์เนี่ยนั่งไปที่รถแอร์ที่มีคนแอบทุเรียนมาทนไม่ไหว มันเบียนหัวกลายเป็นของเหม็นเคยมีพักพวกก็หนัขึ้นหอไปทางใต้แล้วก็มีพักพวกที่ชอบกินทุเรียนขนทุเรียนใส่มาในหอต่อย ก, กันบนบนนู้นนะคือแกทนไม่ได้คนเนี้ยนะทนไม่ได้นนนะไไดต่อยอรารวาดผลที่สุดต้องเอาทุเรียนโยนทิ้งไปลงหัวใครบ้างก็ไม่รู้โยนทิ้งออกมาข้างล่างบอกแกจะตายหเหร ยังไม่ทันก่อนจะถึงเนี่ยแกตายแล้วแ่ว่างก็บอกทนไม่ได้มันกลายเป็นบางคนเนี่ยก็ไม่ชอบอย่างนั้นจริงๆนะครับนั้นแสดงให้เห็นว่าเป็นเรื่องของสมมุติไอกลิ่นที่เราไม่ชอบเนี่ยบางทีนานไปนานไปแล้วอาจจะชอบใช่ไหมครับหลายๆกลิ่นนานไปเราก็อาจจะชอบแล้วกลิ่นที่เราชอบเนบางทีนานไปนานไปเราก็ไม่ชอบกลิ่นบางอย่างนานไปนานไปแล้วอาจจะไม่ชอบอย่าง กลิ่นสตอเนี่ยใหม่ๆโดยมากไม่ชอบทำไมใจคนทางโน้นนะแต่ไปๆ้ากระชอบแล้วก็กลิ่นบางอย่างอยอาหารบางอย่างที่ <c oughs> กินจนเบื่อกินจําเจมากๆเบื่อจนทั้งได้กลิ่นนั้นอีกไม่ได้บรรยากาศเก่าๆตอนที่ไปหลงอยู่กลางทะเลมันขึ้นมารบกวนเลยเลยกลายเป็นกลิ่นไม้เบื่อไม้เมากับคนบางคน มันก็เป็นอย่างนี้นั่นมีเคล็ดลับได้ทราบมาจากพวกที่เขาเก็บศพเขาบอกว่าเวลาจะสร้างความชินกับกลิ่นศพเนี่ยเขาบอกมาก็ยังไม่เคยลองดูเขาว่าให้สูตรให้เต็มปอกเลยให้เต็มปอดเลยเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นวิชาครูนะสูตรให้เต็มปอดได้หลังจากนั้นแล้วจะหายทนได้ไม่อารเจียนไม่ตีเรียนลองดูครับใคร ใครเคยจะไปอยู่ปอเต็กตึงหรือจะไปช่วยเกี่ยวกับกิจการศพลองดูอาจจะพอหายก็ได้มักเขาว่าอย่างนั้นนะ่ะก็ยังไม่เคยทดลองดู <c oughs> ที่นี้เราของวิถีจิตแต่ละแบบแต่ละแบบเนี่ยนี่เขียนอย่างย่อให้ดูนะครับคราวหน้าจะให้เขาพิมพ์แล้วก็มาให้ว่าทั้งหมดตนะั้งแต่ปัญจทวารวิถีไล่มาจนถึงวิถีพวกนี้นี่จะชี้ให้ดูหัวกระ้ายตรงอื่นเรา ไม่ต้องอธิบายละเอียดกันดีว่าที่เราเรียนมาแล้วนั้นปัญจาทวารวิถีนั้นเริ่มโดยอตีตะผวังไปจบที่ผวังเอาไปจบที่ตาลามะนะก็มีสําหรับพวกวิถีสมบูรณ์ที่สุดคืออติมันตลมวิถีและวิถีที่เป็นมันตลมวิถีความสมบูรณ์ลดลงมานิดหนึ่งก็เกี่ยวกับอารมณ์ที่อธิบายไปคราวที่แล้วนะก็เริ่มโดยอติตาผวังแต่ไปจบที่ชาวนะอายุของอารมณ์หมดแค่นั้นก็จบแค่นั้น ทีนี้พอมาถึงอาตีตาคานะวิถีนั้นรวมทั้งวิถีอื่นด้วยเนี่ยอธิบายที่ส่วนเหมือนกันแล้วก่อนว่าทําไมจึงไม่มีอตีตะผวังเริ่มที่ผวังขจรณ ะ, ะเลยเหตุผลก็เพราะว่าถ้าหากว่าท่านเข้าใจว่าอาตีตะผวังคืออะไรจะกล่าวดีแล้วท่านก็จะนึกเข้าใจตรงนี้ได้อตีตาผวังนั้นเป็นผวังที่เลียย ว่าอาัติพรวังปแปลว่าาวังผานเพราะมีอารมณ์เดินทางเสียอายุมาเฉพ่หน้านี่ถ้าเป็นอดีตไปแล้วปแปล ว, ว่าลามจบแล้วอารมณ์จบแล้วก็ไม่ต้องไปพูดว่าเสียเวลาเดินทางมาเท่าไหร่นะครับยกตัวอย่างว่าเรา <c oughs> เอารูปของคนที่ตายไปแล้วมาดูนะถ้าคนที่คนนั้นเขายังไม่ตายเข้ามาหาเรา นา น, น, านมหมาดีอะไรบอกว่าปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วละ่ะนะหรือเดินทางมาเสียเวลาเท่าไหร่ละอะไรอย่างงี้ยนะแต่ถ้าลูกมาดูลวไม่ถามไปไงพ่ออายุเท่าไหร่แล้วเราก็ไม่ถามแล้วเพราะว่าเพราะอะไรเพราะว่าอายุเขาหมดไปแล้วไม่มีการเดินทางไม่มีการเสียอายุอีกแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงอันนี้ใครที่ไม่ได้มาคราวที่แล้วจะฟังไม่ชัดตรงนี้นะอตัติตาพวังจึงไม่มี การนึกถึงรูปอดีตเนี่ยรูปอดีตต้องวิ่งมาใหม่ไหมพอล่ว่เรานึกถึงรูปรูปในอดีตรีบลุกขึ้นมาจากหลุมศพเลยเพื่อจะมาเข้าตาเราใหม่ไม่มแล้วครับถือว่าจบแล้วทำใดเป็นธรรมที่หมดอายุจบก็จบกันไปเสียงก็เหมือนกันอะไรก็เหมือนกันจึงไม่มีอตตาพววงแต่ตาทานละณะยังมีนะครับเหมือนกับปัญจววานวิถีทุกอย่าง เพรลายตถาทานั้นเกี่ยวกับความแรงของอารมณ์ความแรงของอารมณ์กับความแรงของเจวนะคราวนี้ลองไปดูสมูหะฆานะที่เป็นตัวรวมอารมณ์เนี่ยระวังพระเจรินะนำหน้าเหมือนทุกวิธีเราไม่ต้องพูดอีกเหตุผลเดียวกันตอนจบนั่นก็เหมือนกับอตีตคานะคือตถาบางเพราะว่ารับอารมณ์อดีตถ้าถามว่าสมูหักที่รับ <c oughs> อารมณ์อดีตเมื่อเทียบเวลากับอตีตักนะใครไกลกว่ากันอันนี้เราก็เห็นชัดนะนะครับว่าสมุหักเป็นอดีตที่ไกลออกไปอีกไม่ใช่ไกลไม่ใช่ไกลเหมือนกับอตีตักเพราะฉะนั้นในหลักการทําวิปัสสนาเนี่ยท่านยังบอกว่าที่ว่ากําหนดปัจจุบันเนี่ยการกําหนดปัจจุบันแท้ๆมีไม่ได้ทําไมถึงมีไม่ได้เพราะปัญจทวารวิถีที่รับอารมณ์ปัจจุบันได้แท้ก็ทําอะไรไม่ได้ ต้องรอให้ดับไปก่อนเขาท่านถึงใช้คาว่าปัจจุบันสัน ต, ติปัจจุบันสัน ต, ติคือปัจจุบันที่ผ่านไปหลัดหลัดปัจจุบันผ่านไปหยกๆยกจะผ่านไกลใกล้แค่ไหนก็แล้วแต่ความสามารถความชำนาญของแต่ละคนพอไปถึงอัตถะนามกและอธิบายเราจะเห็นว่าไม่มีตาธาลมามนะ ไปจบที่ชาวนะเหมือนกันหมดอันนี้มันมีหลักที่ลึกเข้าไปอีกว่าวิธีจิตใดที่รับอารมณ์ที่เป็นเรื่องเป็นนิพพานก็ดีเป็นฌานก็ดีเป็นบัญญัติก็ดีไม่มีต า, าลาวันะเพราะอะไรครับเพราะว่ามีเหตุผลหลายอย่างแต่ละอย่างแต่ละพวกเนี่ยเป็นว่าผมพูดเฉพาะ อารมณ์ที่เป็นบัญญัติวิถีจิตที่รับอารมณ์ที่เป็นบัญญัตินั้นไม่มีตาทาลภานณะเพราะบัญญัตินั้นเป็นของลมลมแรงแรงตาธาลภมณะนี่จะเกิดขึ้นต้องหนึ่งวนะกำลังชฉวนะสองกำลังอารมณ์ทีนี้ถ้าอารมณ์เป็นรูปอารมณ์เป็นรูปนี่ถือว่าเป็นอารมณ์ที่มีมีพลังนะมีแรงเป็นของจริง แต่อารมณ์ที่เป็นสมมุติเนี่ยเป็นของที่ไม่มีกำลังแรงแม้แต่ว่าตรงนี้มีรายละเอียดเป็นเรื่องเป็นนิพพานก็ดีเป็นฌานก็ดีเป็นบัญญัติก็ดีไม่มีตถากรรมนะเพราะอะไรครับเพราะว่ามีเหตุผลหลายอย่างแต่ละอย่างแต่ละพวกเนี่ยเป็นว่าผมพูดโดยเฉพาะอารมณ์ที่เป็นบัญญัติ วิถีจิตที่รับอารมณ์ที่เป็นบัญญัตินั้นไม่มีตาธาละพนะเพราะบัญญัตินั้นเป็นของลมลมแรงแรงตาธารพนะเนี่จะเกิดขึ้นต้องหนึ่งชาวนะกําลังชวนะสองกำลังอารมณ์ทีนี้ถ้าอารมณ์เป็นรูปอารมณ์เป็นรูปนี่ถือว่าเป็นอารมณ์ที่มีมีพลังนะมีแรงเป็นของจริงแต่อารมณ์ที่เป็นสมมุติเนี่ยเป็นของที่ไม่มี กำลังแรงแต่แต่ว่าตรงนี้มีรายละเอียดหลายแง่หลายมุมคำว่าแรงของของท่านเนี่ยหมายถึงแรงต่อวิถีจิตแรงต่อวิถีจิตที่เกิดขึ้นเมื่อชาวนะเกิดขึ้นแล้วตาตารมนะไม่ต้องหน่วงเพราะมันไม่มีอะไร ใ, ให้หน่วงเหมือนเหมือนอย่างเงี้ยครับเปรียบเทียบเหมือนกับมีรถถ้าเป็นรถมนุษย์วิ่งมาชนแล้วเราต้องรีบหลบ แต่ถ้าว่ารถผีสิงมาชนลงไม่ต้องหลบไม่เป็นไรหรือบางทีก็เรื่องที่เคยเกิดกับแท็กซี่ที่ที่รู้รู้จักขับรถไปแถวตลิ่งชัน <c oughs> ตอนดึกก็มีผู้หญิงวิ่งตัดหน้าแกก็เบรกอย่างแรงครับปรากฏว่ารถแท็กซี่ไปชนอาสาวไฟฟ้าแต่ไม่มีใครนี่ก็ เพื่อนเขาเขาบอกเขาเคยเจออะ ไ, ไตรตัวนี้ยวิ่งชนเลยเแบรบกไม่ทนันพอชนแล้วแกก็เแบรบกเอียดลงไปดูไม่เห็นมีอะไรเลยรถก็ไม่บุบไม่มีอะไรเพราะมันเป็นของไม่มีไม่มีอย่างอย่างเรามีนะอันนี้เขาต้องการจะเล่าเห็นว่ามันเป็นกายทิพย์อะเทียบก็เล่าแต่เป็นจริงก็เทียบในแง่ว่าบัญญัตนะิน่ะเป็นของที่ไม่มีมันไม่มีตัวไม่มีตนนะฮะ นั Shiva, e ่นจึงไม่ต ah ้องอาศัยพลังเหนี uh, ่ยวพลังกันจริงๆอย่างจังเนี่ยไม่ต้องแต่ว่าไอ้พลังของมันมันออกไปในรูปของความยึดถือแต่เป็นเรื่องของความยึดถือนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งมันเป็นกําลังที่อยู่ที่ความยึดถือของคนยึดแต่ในตัวกําลังของตัวบัญญัติเนี่ยมันไม่มีตัวจะต้องไปเหนี่ยวไปลั่งอะไรมันเพราะมันไม่มีนะฮะแต่ที่เราสึกมีพลังเนี่ยเพราะความยึดถือของเราเองที่ไปคิดเป็นตูวเป็นตากในสิ่งที่ไม่มีนั้นบัญญัติเนี่ยในความรู้สึกหรือใน ทางจิตของเราเนี่ยเราก็ติดบัญญัติอย่างที่เคยว่ากันไม่ได้ติดปรมัดแต่กลไกของจิตจริงๆนั้นตาตาลพ น, านั้นจะเกิดขึ้นหน่วงกับอารมณ์ปรมัดอารมณ์บัญญัติถือเป็นของไม่มีแต่อุปาทานเรามันเกิดในชวนะไม่ได้เกิดที่ตะานะอุปาทานเราในเกิดที่ชาวนะนะอารมณ์เนี่ยมันเหมือนมีผลต่อชวนะแต่ไม่มีผลต่อตาตาลพนะที่เป็นตัวเบรกมจึงไม่ต้องมี อธิบายเฉพาะในส่วนนี้นี่ถ้าเป็นพวกฌานนี่ก็เหมือนกันฌานนี่เวลาวิถีที่เขาขึ้นวิถีแล้วไม่มีตถาคตพนักนะเพราะว่าพวกฌานพวกทําฌานเนี่ยพวกนี้เขาจิตเขาละเมียดละไมจิตเขาไม่รุนแรงโคลงคลามไม่หนักหน่วงเหมือนกับของเราแล้วเวลาเขาชาวนะเขาขึ้นพอถึงจุดหยุดเขาหยุดนะฮะไอ้ของเราเนี่ยต้องหน่วงมันแรงมากมจะล้าเส้น ชอบล้ําเช่นต้องหน่วงทาไมล่ามันก็ต้องเรียกว่าหมดกําลังของมันเองไปด้วยเหตุผลของมันแต่พวกฌานแค่นี้พอเกิดแค่ไหนจะเข้าฌานออกมื่อาหล่ก็ได้ได้ทันทีเลยความรุนแรงทางจิตถึงไม่มีนั้นคนที่ว่าผู้ที่ฌานจิตเป็นความจริงแล้วเป็นตัวจิตจะเป็นจิตที่แข็งแรงเองนะแต่กับปรากฏในภาวะของความนุ่มนวล นะอันนี้เรานึกเปรียบเทียบอยู่ถคนแข็งแรงเนี่ยก็จะก้าวจะเหินจะอยู่จะยัง้งรู้สึกว่ามันพอเหมอพอดีเป็นความเบาวความผ่อนความควรไม่ต้องมีใครไปไปยุงครับแต่คนไม่แข็งแรงเนี่ยจะขึ้นลดลงเรือจะเดินจะเหินนี่ต้องมีคนคอยไปไปยุง่งเราเนี่ยมันเหมือนกับจะว่าเป็นคนแข็งแรงแบบผู้มีชานก็ไม่ใช่ไอแรงของเรามันแรงยังไงก็ไม่รู้นะมันแรงไม่เคยดีจะต้องมี ตาทาเนี่มาคอยพยุงอันนี้ก็เป็นเป็นมุมแปลกของความเป็นจริงในเรื่องจิตประการหนึ่ง <c oughs> เพราะนั้นในนี้ได้กำหนดอารมณ์ไปด้วยว่าปัญจทวาราวจนะมาจนกระทั่งถึงสมูหักนั้นมีอารมณ์เป็นปรมัดแต่เป็นปรมัด เวลามีอารมณ์เป็นมัดมีข้อกำหนดแน่นะไม่มีเป็นอื่นวิถีชิตใดที่มีอารมณ์เป็นเป็นปรามัดอารมณ์ที่ปรากฏแก่วิถีนั้นจะเป็นอารมณ์แยกส่วนแยกส่วนหมายความว่าเป็นอารมณ์หน่วยเดียวการรับปรามัดอารมณ์เนี่ยต้องรับหน่วยเดียวถ้ารับหลายๆหน่วยเป็นสมมติแล้วเวลาเรานึกอะไรเป็นรวมๆเนี่ยเป็นสมมติแต่ถ้าถึงปรามัดเนี่ยแปลว่าเป็นหน่วยเดียวเพราะฉะนั้นเวลาที่